ขนอมน้อมต่อคุณพระตนะไตรโอกาสหลวงพ่กลมเพื่อนสัให้ทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีระยะธรํม ท, ทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราก็ได้สวดบท <c oughs> มงคนละสูตรไปเนาะซึ่งบทนี้ก็มีความสำคัญมาก <c oughs> ในการสวดมนต์ จเจริญ พ, พะระพุทธเจริญพระพุทธมนต์ทั้งหลาย <c oughs> ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานศพก็น่าจะเป็นแทบทุกงานเลย <c oughs> ก็จะมีการาสวดบทมงคลสูตรนี้เป็นประจำแล้วเมื่อเริ่มสวดแล้วอาศัยว่าน่าจะพารานังก็จะมีการจุดเทียนเพื่อให้าการทำนามพุทธมนต์ต่อไปนะเมื่อเริ่มสวด อาวนาปั๊บเนี่ยเจ้าภาพก็จะจุดเทียนในขันน้มนตทันทีนะอันนี้ก็แสดงว่าบทนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะที่ว่าเป็นการสวดจเจริญภูมิพลทุกครั้ง <c oughs> ครัน้นี้นะก็ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะก็เพราะว่าในสมัยก่อนมีผู้ที่อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นมงคลบ้างนะ ก็มีการถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนี้เป็นมงคลมากมายนะจนทั้งขึ้นไปถึงอพระอินนะให้พระอินช่วยตัดสินว่าสิ่งใดเป็นมงคลพระอินก็ยังตัดสินตรงนั้นไม่ได้ก็เลยให้เทวดาไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็เลยแสดงมงคลสูตรให้ฟังนะ เมื่อแสดงมงคลระสุดให้ฟังแล้วพินก็นํามาแจ้งต่อพระยินแล้วก็มีการพูดในที่ประชุมอของเทวดาทั้งปวงก็สรุปบ้า น, นี่แหละคือมองคลที่ควรที่จะไปพึ่ประพฤติปฏิบัติกัน <c oughs> นะก็เป็นสิ่งที่ว่าเป็นมงคลจริงไหมนะถ้าเราดูแล้วมันจะเป็นมงคลจริงไหม ถาเราศึกษาจริงๆแล้วนี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดจริงๆนะมันก็อยู่ในชีวิตประจาวันของเรานี่แหละไม่ได้ห่างไกลจากชีวิตเราเลยนะบางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มั น, มนยากแต่จริงๆแล้วก็อยู่ในเกี่ยวข้องกับทุกๆคนแล้วก็ไม่ยากด้วยบางทีก็เป็นเรื่องง่ายๆเช่นการเลี้ยงดูปิดามาดดานะการสงเคราะห์หมูญาติการให้ทานต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราทํากันอยู่แล้วนะ อันนี้ก็เริ่มต้นด้วยอาเสวนาเจ้าภาลานางปันตินานานจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคารมุตคามุตอัมมัง <c oughs> ก็คือการไม่คบบัณฑิตไอการไม่คบคนพานนะอาเสวนาคือการไม่คบคนพานนั่นะให้ครบบัณฑิตนะให้บูชาบุคคลที่ควรบูชานะ อันนี้จะเห็นว่าจริงๆมันเริ่มต้นนี้ถูกถูกต้องแล้วนะอ่าผู้ใดที่คบคนพานาก็กลายเป็นคนพานไปด้วยนะบางทีเราจะสังเกตดูว่าบางทีเราเห็นคนเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรหรอกแต่ดูคนที่เขาคบเนี่ยเราก็รู้ว่าเขานี่สายเป็นอย่างไรนะบางคนอคบกลุ่มคนที่อ่าชอบเที่ยวก็กลายเป็นคนชอบเที่ยวนั่นแหละไปคบคนเช่นนั้นะบางคนชอบ อครับคนที่ <c oughs> อ่านหนังสืออศึกษาหาความรู้ก็เป็นคนเช่นนั้นนะไปคบคนเล่นการมันดันก็แสดงว่าเขานิสัยเช่นนั้นอยู่แล้วจึงคบเช่นนั้นนะอคนไหนชอบกินเหล้าสวนเซ่เฮฮาก็แสดงว่านิสัยก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วจึงคบคนเช่นนั้นนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครนิสัยเป็นอย่างไรหรอกแต่ก็สามารถดูคนที่เขาคบได้ว่าเป็นอย่างไรนั่นแหละนิสัยเขาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะ เพราะงั้นการที่เราครบคนที่ไม่ดี <c oughs> ทั้งหลายแหล่นะอันนี้ถือว่าเราตกต่ำตั้งแต่แรกแล้วนะความตกต่ำนี่เกิดจากจิตของเราเองเราไปคบกับใครเราก็เป็นคนเช่นนั้นนะเพราะนั้นพระพยยเจ้าก็เลยให้คบบัณฑิตนะใครที่คบบัณฑิตก็เรียกว่าเราก็เจริญก้าวหน้าเราก็ไม่ตกตำ่ำนะแม้แต่เราอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้ทั้งหลายแหล่เราเมื่อเราครบเขาเราก็มีความเจริญเช่นเขาเหมือนกัน อย่างเช่นในวัดเรานะเราก็คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการที่จะมาคบกับครูบาอาจารย์นะโดยสมัยก่อนก็หลวงพ่อคำเขียนนี่แหละหรือพระอาจารย์เภสาชเนี่ยก็อยากจะคบท่านนะก็คืออยากจะมาศึกษาธรรมอยากจะมาปฏิบัติธรรมด้วยนะก็มามาคบหาอาบคูบาอาจารย์ซึ่งเป็นบัณฑิตนะเราก็จะได้มีความรู้เช่นท่านนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก นะยังลวงพ่อคําเขียนนี่สมัยก่อนนะออาตมาก็ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรหรอกนะแต่ว่าเคยอา่านหนังสือที่กล่าวถึงท่านนะเพราะว่านหนังสือกล่าวถึงท่านปั๊บแค่ได้ยังยินชื่ออะไรปุ๊บก็รู้เลยว่าท่านจะเป็นครูบาอาจารย์เราไดนะ้บางทีไม่รู้จักมาก่อนก็ก็มาเลยนะนะนั่นแหละเพราะว่าเราก็สแสวงหาครูบาอาจารย์นะ มันก็มาอยู่กับท่านก็เข้าใจธรรมะต่างๆได้มากขึ้นกว่าเก่านะตรงนี้ก็เกิดจากเราเราครบนะบัณฑิตคือครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถที่จะเข้าใจธรรมะนะที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตัวท่านเองจนท่านก็ได้ผลนะแล้วท่านก็นํามาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะแล้วเราก็นํามาปฏิบัติมาเพื่อมิปฏิบัติตามที่ท่านสอน นะในการที่ท่านสอนว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้ทั้งหลายนี่แหละโอ้นี้สําคัญมากเลยเนะาะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เราหลงเยอะนะสมัยก่อนนะแม้แต่บิดาธรรมเราก็ไม่รู้เราหลงเยอะอ่านะเราก็หลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายนะหลงไปอ่านะในความโลภความโกรธความหลงความรักความชังแม้แต่บิดาธรรมแล้วมันก็ยังหลงได้ง่ายนะอันนี้เพราะว่าเรารู้ไม่ทันอ่านระู้ไม่ทันกินเลสในใจของเรานั่นเองนะรู้ไม่ทันความหลง นี่แหละถึงแม้จะแบบทำแล้วนะบางทีโอ้จิตสงบแต่พอออกจากสมาธิปับ๊บกระทบอารมณ์เราก็อรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ได้เกิดขึ้นมันก็ไหลเข้าไปหลงไปยึดไปติดในรมต่างๆเหล่านั้นนะเพราะว่าเราสติมันก็ยังน้อยอยู่นะแต่ครูบาอาจารย์มาว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เนะี่ยเราก็เ อ, อเข้าใจนะว่าการหลงมันเป็นอย่างไรนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนอย่างไร นะก็คือให้รู้เท่าทันอารมณ์กิเลส ท, ทั้งหลายในใจของเรานั่นเอง <c oughs> เราเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วก็จะได้สังเกตตรงนี้ได้อกิเลสต่างๆมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆนะะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจมันเกิดที่ไหนก็เกิดในจิตใจเรานั่นแหละใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะกลับมาศึกษาจิตใจของเราได้นะเรา คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นในฐานกายก็จริงนะแต่ว่าในที่สุดมันก็จะมาสังเกตที่จิตใจของเราได้อยู่เป็นประจำนะฐานกายมันเป็นเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะที่ว่าอ่าให้เขามีมีเครื่องอยู่นะในการที่ว่าเขาจะได้ไม่ไม่คิดไปไกลไม่ฟุ้งซ่านไปไกลอ่ให้กลับมาอยู่กับร่างกายจิตใจนะกลับมาอยู่กับความรู้นในการเคลื่อนไหวในขณะปัจจุบนันปัจจุบันนี่แหละมันจะทําให้เราเห็น ความคิดที่มันไหลไปในลมต่างๆได้เร็วขึ้นเนะมื่อเราอยู่กับฐานกายอยู่กับการเคลื่อนไหวแล้วมันก็มีจิตนี่แหละเป็นผู้สังเกตดูนะเป็นผู้สังเกตจิตก็สังเกตการเคลื่อนไหวไภายนอกแต่มันเป็นการรับรู้อยู่ภายในนะเคลื่อนไหวไภายนอกภายในรับรู้อยูนะ่ใจก็จะสังเกตอยู่เรื่อยๆเลยนะจากเมื่อก่อนมันไม่เคยสังเกตนะเมื่อก่อนเจริญสมาธามันไม่เคยสังเกตในจุดนี้นะมันก็ไม่เคยสังเก ต, ตว่ากายมันเคลื่อนไหวใจรับรู้ได้ไหม เพราะนั้นใจมันจะไม่รับรู้อะไรเลยนะเมื่อรับรู้มันก็คือมันเกาไม่ติดอารมณ์แล้วนะแต่เมื่อตอนหลังถ้าใจมันสามารถสังเกตอาการขึ้นไปของกายได้นั่นแหละก็คือมันมีความที่วใจมันสังเกตได้อยู่นะพอใจมันสามารถสังเกตได้มันก็สามารถสังเกตอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นอ่าสังเกตอารมณ์ต่างๆที่เมื่อก่อนเราจะไม่ทันในความไม่พอใจต่างๆมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นโอ้ขณะนี้เราไม่พอใจแล้วนะนี่ก็เรียกว่ามันสังเกตเป็นแล้วนะ มันสังเกตว่าเราดีใจเราก็รู้ทันเนะมื่อก่อนมันดีใจเราหัวเลาะ ก, กากระกาโอ้หัวร้อไปอย่างเมามันนะมันมันยังไม่รู้เลยว่าเราดีใจนะแต่ตอนหลังถ้าเรามีสติแล้วมันแค่มีความยินดีขึ้นมานิดนึง เ, ออเราหยากจะหัวร้อมันก็รู้ทันแล้วมันก็ไม่หัวเล้อมากขนาดนั้นนะอาจจะหัวล้ อ, อเบาๆก็ได้นะแต่มันก็ไม่ได้ไปหัวล้ อ, อเสียงดังเช่นในอดีตเนี่ยนะก็สแสดงว่าเราสังเกตอรตารมณ์ต่างๆได้ทันนะเพราะฉะนั้นเอ้ ความทุกข์ต่างมันก็จะน้อยลงนะถ้าเราสามารถสังเกตลมได้ทั่านั้นเองความทุกข์ก็จะน้อยลงเพราะว่าเราจะกลายเป็นผู้ดูไปนะแต่ถ้าเราสังเกตไม่ได้เราก็จะไปติดลมนะใครมานินทาเรามาว่าเรามาอทําสิ่งต่างๆให้เกิดกับการกระทบจิตใจเราเราก็ไปยึดติดนะไปทุกข์ในตรงนั้นยาวนานนะเพราะเราสังเกตไม่ได้มันก็ไปยึดติดแต่เราสังเกตได้แวบาหนึง่งเอ๊จิตใจเรามันเริ่มจะเปี่ยนแล้วนะ มันเริ่มที่จะไหลไปทางนู้นทางนี้แล้วนะแค่สังเกตได้มันก็เริ่มจะหยุดแล้วนะมันไม่ไหลแบบสมัยก่อนนะเพราะว่ามันมันมีมีความสังเกตได้อยู่นะตรงนี้มันก็เลยมันจะไม่ไหลอะไม่ไหลลงไปต่ําแล้วก็ไม่ไหลขึ้นไปสูงนะเพราะนั้นความพอใจมันก็ไม่ได้ไปดีใจอะไรมากมายก็มันแค่สังเกตได้เป็นความพอใจอความไม่พอใจมันก็สังเกตเป็นความไม่พอใจนะหลังนั้นท่าน จิตมันก็จะเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นมันจะเริ่มเห็นว่าอสิ่งวันนี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็ไปอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองความน่าพอใจความยินดีทั้งหลายเมื่อก่อนคนทําไมก่อนก็ติดโอ้ดีใจแล้วไปยึดติดในความดีใจแต่มันก็เห็นเมื่อมีปัญญาแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็ไม่ได้ไปดีใจมากอะไรมันก็เห็นว่ามันก็อย่างนั้นเองความดีใจความยินดีมันก็ มันก็กลายเปนว่าธรรมดานะมันก็แค่ผ่านมาเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเขาเขาก็ไปก็ไม่ได้เป็นของเพียงแท้อะไรนใจก็ไม่ได้ไปยึดติดในความพอใจเหล่านั้นนะหรือเมื่อก่อนเราก็มีความขัดเคลืองใจมีความไม่พอใจนะมีความโกรธความที่เราไม่ชอบใจต่างๆนะแต่พอเราเริ่มสังเกตได้เขาก็เห็นว่าเออเขาก็เป็นอย่างเช่นนั้นเองนะเขามาเดี๋ยวเขาก็าไปเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานะไรหรอกมะ ถ้าเราไม่ให้ค่าอะไรเขาก็อยู่ไม่นานเขาก็ไปอย่างเขาแล้วนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเว่อมันสังเกตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ต่างๆได้เร็วมันไม่ได้ไปยึดติดแบบสมัยก่อนนะก็คือตรงนี้มันก็เรียกว่ามันข้ามถ้าใครสังเกตรตรงนี้ได้มันก็เรียกว่าข้ามความทุกข์มาได้ระดับหนึ่งแล้วะจากการที่เรียกว่าเราอ่าเคยทุกข์ต่างๆมากมายมันก็จะน้อยลงโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะละความทุกข์ได้เลย แต่จิตของเขาก็สามารถที่จะเข้าใจในสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้แล้วเขาก็อาจจะปล่อยเขาได้เองนะเขาก็ไม่ไปยึดติดแบบสมัยก่อนเขาก็คลายคลายออกไปจากความยึดติดะในในอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้เกิดจากว่าอ่าจิต ท, ที่มันรับรู้ได้ในสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นนะโดยในขั้นแรกเราก็มาเริ่มรับรู้ที่กายก่อนกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นดูกายเห็นจิต นะดูคิดเห็นทรรมนะอพอเราดูกายเราก็จะเห็นจิตได้เออกายนี่แหละเป็นต้นทางเมื่อกายเคลื่อนไหวจิตเข้าไปรับรู้ไหมนะจิตสังเกตได้ไหมนะในการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านั้นนะจิตมันจะเป็นผู้สังเกตนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้อนะดูกายเห็นจิตนะดูคิดก็เห็นทำรรนะพอเราเห็นความคิดได้เราก็เห็นธรรมะแล้วนะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละ เมื่อเราเห็นดูความคิดเราก็เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราก็คือธรรมชาติของใจอ่ที่มันมกักจะไหลไปในลมต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วธรรมชาตินั้นคืออะไรธรรมชาติก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะคือเข้ามาแล้วก็ไปนะเราก็ไม่ยึดติดในตรงนั้ น, นเขาเรียกว่าดูคิดเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมชาติของจิตว่ามันไม่เที่ยงนะพอเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ เป็นสิ่งเราบังคับเขาไม่ได้เลยนะบังคับบัญชาไม่ได้จะให้ความดินยินดีนะให้ความพอใจให้ความรักอยู่ในใจเรานานๆก็ไม่ได้เพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้นะหรือแม้แต่ความทุกข์ต่างๆนะบางคนอย่างที่อาจารย์สารเล่าอ๋คนไหนเวลามีความทุกข์แล้วอยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยาก ใ, ใครมายุ่งเกี่ยวอยากอยู่กับความทุกข์นานๆก็อยู่ไม่ได้อีกนั่นแหละใช่ไหมไม่มีใครร้องไห้ได้เกินเจ็ดวันนะ นีตรงนี้มันก็คือธรรมชาติของใจมันก็คือบังคับบัญชาก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ให้อยู่กับเรานานๆก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาไม่ใช่อ่าตัวไม่ใช่ตนอ่าเราจึงบังคับก็ไม่ได้เขามาแล้วก็ไปเนีตรงนี้มันจะเกิดปัญญาในตรงนี้ตามมานะเมื่อมันเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็จะเกิดการปล่อยกันวางได้เร็วและได้ง่ายขึ้นแล้วเมื่อเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงแล้วในความที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนนี้แล้ว จิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางโดยจิตโดยสภาวะจิตของเขาเองนะตรงนี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปช่วยเขาคิดแล้วไม่ต้องไปช่วยเขาในการที่จะหาเหตุหาผลนะหรือว่าช่วยก็ปล่อยวางแต่โดยสภาวะจิตที่เขาเข้าใจสภาวะธรรมนะโดยตัวเขาเองแล้วในสภาวะที่ไม่มีตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นความไม่เที่ยงนี่แหละเขาจะปล่อยอย่างเขาเองนะเขาจะเห็นว่าความรักความชังอารมณ์ทั้งหลายมันก็มาชั่วคราวแล้วก็ไป S <S <an> เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่มันเกิดของเขาเองอมันเกิดระดับของเขาเองเป็นเช่นนั้นของเขาเองเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราทําให้เขาเกิดนะแต่เขาเกิดตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีเหตุเขาก็เกิดเมื่อหมดเหตุเขาก็ดับไปเนี่ยเป็นไปนตามสภาวะที่เรียกว่าปฏิจจสุ บ, บาทนะคือสภาวะธรรมที่มันต่อเนื่องกันมีอวิชชาเกิดปัดใจจัยให้เกิดสิ่งต่างตามมานะเกิดตัณหาเกิดปบัณา์ต่างๆตามมา นี่เขาเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่เมื่อเราตัดเหตุแล้วนะแต่ตัดอวิชชาได้ก็คือความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้ในการที่ว่าเราไปยึดติดในความเป็นตัวเป็น ต, ตนของเรานี่แหละอะสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของของเราสิ่งนี้เป็นตัวเป็น ต, ตนของเราเมื่อเราเราเข้าใจในความที่ว่าจิตเราไปยึดติดในสิ่งตา่างนะแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วจิตเขาก็ปล่อยก็วางนะแล้วความปล่อยได้ การที่เขาปล่อยเขาวางเขาเองนะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจปัญญาที่เขาสะสมมาในระดับหนึ่งแล้วนะเขาก็ปล่อยเขาวางของเขาได้เองนะตรงนี้เขาจะไม่กลับไปยึดติดอย่างเก่าแล้วนะการปล่อยการวางนี่ยมันจะค่อนข้างจะถาวรเลยมันก็ไม่กลับไปยึดติดอย่างเก่าว่านี่ของเรานี่เป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็ความทุกข์ก็จะน้อยลงโดยตภาวธรรมเช่นั้นได้เองนะมันก็กลายว่าเขาคลายออกเกิดเวลาคะ่ะเกิดเวลาคะ ก็คือการคลายการวางการที่ใจไม่ยึดติดต่างๆได้ง่ายขึ้นเวลาคะคือการที่ อ, ออกจากตัณหาได้เอาจากการยึดติดคือตัณหานี่แหละเมือ่อเวลาคะก็จะนิโรโธจารโคเป็นนิสสคโหมุติอนารโยก็คือการปล่อยการวางจากตัณหาได้ต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นนีก็เป็นไปตามสภาพว่าสภาวธรรมที่จิตเขาเริ่มเข้าใจในทุกอย่างในความที่ว่าไม่ตัวไม่ตนของเรา นะมันก็จะขาความยึดติดตนะ่างๆได้ะแต่ทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ายังยึดว่า น, นี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเป็นตนของเรามันก็จะเกิดการยึดติดที่เรียกว als, นะ่าเป็นอุปทานอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อยึดมั่นถือมัน่นเราก็จะมีตัณหาตามมาตลอดเลยนะเมื่อเราไปยึดสิ่งใดเราก็จะมีตัณหาในสิ่งนั้นนะอไปรักใครคนนั้นก็ทําให้เรามีความทุกขนะ์ไปเกลียดใครคนนั้นก็ทําเรามีความทุกขนะ์อีกะไปโกรธใครคนนั้นมีความทําเรามีความทุกข์อีก นี่เพราะว่ามันเป็นอุปทานนะอุปทานในการที่ไปจิตไปยึดเป็นบุคคลตัวตนเราเขานะไปยึดใครแล้วก็ทุกข์นะไปผูกพันใครก็ทุกข์ไปหวงใครก็ทุกข์นี่เป็นคือความผูกพันที่ใจไปยึดเองนะเป็นอุปทานนอกจากอุปทานในตัวเราแล้วเออมีตัวเรารักตัวเราอ่ยึดตัวเรามันก็ไปยึดคนอื่นต่อนะมันไม่ยึดตัวเราคนเดียวเราไปยึดคนอื่นต่อด้วยไปผูกพันอ่าไปไปรักไปชังคนอื่นต่อนี่เกิดจากการที่เรายึดตัวเราเองเป็นหลัก แต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันวางตัวเราเองได้แล้วนะวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเร า, เราได้มันก็จะไม่ไปยึดคนอื่นต่อเหมือนกันนะมันก็จะวางคนอื่นได้ง่ายขึ้นถึงแม้จะวางไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าความยึดมั่นในบุคคลอื่นมันก็จะน้อยลงไปเป็นสภาวะทิ้งเป็นเงาตามตัวนะนนี้ก็เป็นความทุกข์ที่มันจะน้อยลงนะในสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ว่าเกิดจากการที่เราเข้าม า, าศึกษาสภาวธรรม บ, บ่อยๆ กิดจากจิตที่มีการสังเกตสภาวธรรมได้บ่อยๆนะตรงนี้มันก็จะปล่อยจะบางได้เร็วขึ้นนะอเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดมันก็จะมาอ่าจบในระดับหนึ่งในความที่ว่าเห็นสภาวะที่มันเป็นแค่รูปแพร่นามเท่านั้นนะอเมื่อปฏิบัติเบลาน่ามันจะเห็นสภาวะต่างๆเอมันเป็นกายเราไหมเป็นกายของเราไหมเป็นจิตของเราไหมนะมันจะค่อยๆคลายออกมันเห็นว่ามันก็เป็นแค่สักวัตรูปนะ เป็นรูปมันไม่ใหตการังเราหรอกนะไอจิตมันก็เห็นแค่เป็นนามนะนามก็คือรูปเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แยกออกไปนะ <c oughs> เวลาอ่าเราไปโกรธใครนะเราไปโกรธใครก็เราไปโกรธตรงนะไหนเขาล่ะนะโกรธตรงรูปเขาอนะ่หรือโกรธตรงเวทนาของเขาโกรธที่สัญญาของเขาโกรธที่สังขารของเขาหรือโกรธที่วิญญาณของเขา มันไปแยกได้ไหมเออเราโกรธตรงไหนของเขาล่ะมาหาตัวตนเขาเจอไหมนะหรือคนเขามารักเราเขารักที่ไหนของเราล่ะรักที่รูปเราหรือรักที่เวทนารักที่สัญญารักที่สังขารหรือรักที่วิญญาณนะเขารักตรงไหนของเรานะอมันก็แยกมันก็ไม่มีอะไรเลยมันรักตรงไหนของเรามันก็ไม่เห็นมีอะไรให้เขารักแล้ก็ยากหนึ่งนะเพระมันเกิดเป็นแค่รูปแค่านามเท่านั้นเองนะเหมือนก็ลรถยนต์นี่แหละลดยนต์มันอยู่ตรงไหน อตรงหน้าเราเป็นรถยนต์หรือใช่ไหมลองมาแยกรถยนต์ซิตรงนี้เป็นพวงมาลัยตรงนี้เป็นอ่ลูกล้อนะตรงนี้เป็นกระโปรงรถตรงนี้เป็นหลังคารถตรงนี้เป็นเบาะรถตรงนี้เป็นเบรกเป็นคัตเป็นเกียร์นะตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นคัตซีตรงนี้เป็นน็อตตรงนี้อ่าเป็นออ่่าาวิทยุนะเมื่อแยกเป็นชิ้นชิ้นแล้วมันถามว่ารถยนต์มันอยู่ตรงไหนอ่ะ มันก็หารถยนต์ไม่เจออยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราเอาเอาร่างกายเรามาแยกก็ไม่เป็นชินช้นชิ้เป็นรูปเป็นธนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็หาตัวเราไม่เจอนั่นแหละมันก็รถยนต์มันแยกมาแล้วก็หารถยนต์ไม่เจอนะเมื่อเราแยกกายเราแล้วก็หากายเราไม่เจอเหมือนกันนะแต่เมื่อมันประกอบขึ้นมาปั๊บเออตรงนี้เป็นรถยนต์ปุ๊บหลักไปเยเตอร์ น, นี่มปนรถยนต์แล้วนะรถยนต์แล้วไม่ใช่รถยนต์ในเชียเป็นรถยนต์ของเราอย่างหากนะอเพราะนั้นรถยนต์เราปุ๊บนี่ใครมา อุดขีดไม่ได้เลยนะหรือไปอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งรักสุดชีวิตเลยนะเนี่ยเพราะนั้นเมื่อกลายมาประกอบขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวของเราปับ๊บเป็นกายของเราปับ๊บเราก็ยืดโต้นี่มันของเราแล้วนะนี่กายนี่เป็นของเราแล้วเนะี่ยเพราะนั้นเมื่อเป็นกายของเราแล้วเนี่ยใครจะมาด่าว่าไม่ได้นะใครจะมาดูถูกดูหมิน่นก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะเพราะเราอ พอเรามีชื่อเสียงมียศสักหน่อยแล้วก็เออเราเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะอ่ตัวตนมันก็เกิดมากขึ้นนะหรือพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราเก่งเราดีเราวิเศษแล้วก็กลายว่าเราเก่งเราดีวิเศษก็กลายเป็นตัวตนมันใหญ่ขึ้นมาเองนะบางทีเราจะเก่งเมื่อคนเดียดเอนะอะไรเงี้ยมันแทนที่มันจะละอัตราตัวตนมันก็กลายเป็นตัวตนเราใหญ่ขึ้นมาเก่านะตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราเข้าใจผิดมีความเข้าใจผิดมาเป็นอย่างยิ่งนะก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เพราะนั้นมิชาทิฏฐิในข้อแรกนะมันก็เรียกว่าอ่าเพราะว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองนะมเพียงเกิดมิฉาทิฏฐิมปัญญามันจะต้องมาเห็นว่าเออมิฉาทิฏฐิก็คือความที่เราไปเข้าใจผิดในความเป็นตเป็นตนนี่แหละมันเป็นมิฉาทิฏฐิระดับใหญ่เลยนะพอกายมรรคธรรมจริ ง, ร ง, รงๆแล้วก็คืออ่าไม่ใช่ว่าเราไปบัตรเพื่อการได้อะไรหรือการที่เราจะไปละอะไรแต่เป็นการบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าเป็นการถอดถอนในความเข้าใจผิดในความ ยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะเป็นการแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดในความที่ว่ายึดมั่นว่านี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่เพียงแต่เราไปเข้าใจผิดเท่านั้นเองจากการเราเกิดมาเออนี่ยมันตัวเรานะอ่าไอ้หนูแดงหนูแดงต่อมาก็ชื่อสมชายมันก็เป็นความยึดเออนี่เราคือหนูแดงนี่คือสมชายนะพอโตมาอีกแล้วก็เป็นนายนะอ่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้จัดการนะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจโอ้นี่เป็นเท่าแก่แล้วนะอ่าเป็นเฮียอ่าเป็นผู้จัดการอ่าเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจเป็นรัฐมนตรีมันก็คือความเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยนะแต่พอกลับบ้านอ้าวรัฐมนตรีกลายเป็นอ่าบางทีก็ก็กลายเป็นคนใช้ก็มีนะโดนแม่บ้านใช้ให้ถูกบ้านก็มีนะโอ้รัฐมนตรีมันหายไปไหนอ่ากลับมาบ้านโดนแม่บ้านใช้ทํางานเฉยเลยนะอันนี้ก็คือความยึดมั่นที่เราไปยึดอ่าผิดๆนั่นเอง แต่พอตายเราเริ่มเห็นความจริงนะใครเป็นงานศพนี่ต่อไปเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนเขาเข้างานศพนี่ไปเผานะเอมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปทุกคนนะนะไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนกลายเป็นขี้เท่าหมดเลยนะกลายเป็นกระดูกให้เรามาเก็บตอนเช้ากระดูกสีขาวๆเหมือนกันนะอ่ากระดูกจกตกๆผุๆเหมือนเหมือนกันมันก็เหมือนกันหมดนะไม่ได้ต่างกันเลยอดูภายในทุกคนอ่าให้เป็นนางสาวจั ก, กรวาล น, นะ พอถอดมาดูภายในโอ้อยากกันหนีกันนะอยากจะเผ็นเข้าป่ากันทุกทกคนมีแต่ความโสศกโศกมีแต่ความน่าเกลียดนะเหมือนกับนางศิลิมานนในสมัยอดีตนางศิลิมาที่เป็นผู้ที่สวยที่สุดในอสาวัตถีนะเรียกว่าให้เป็นนางกลางเมืองนะคือว่าเป็นผู้ที่สวยงามมากนะผู้ใดที่จะมาอยู่กับนางในวันหนึ่งต้องเสียหนึ่งพันกหาปณะเนะเพราะนางมีความสวยงามมากนะครั้นี้ก็มี มีพระองค์หนึ่งก็ไปเห็นนางศิริมาก็มีควา ม, มาพอใจนะพอใจมากนะมีความรักจนอดข้าวอดน้ําทนไม่ไหวนะอนะต่อมานางศิริมาก็ตายไปนะตายไปแล้วเนะี่ยพระพุทเจ้าก็เลยบอกอ่านะพระเจ้านะประสิทธิโกศว่าให้ประมูลนางสือมาละกันเมื่อก่อนนี้ใครอยู่นางหนึ่งวันต้องเสียหนึ่งพันบาทหนึ่งพันถะ้าหาปั่ะก็ไม่มีใคร ยอมรับนะอตอนหลังก็ลดราคาลงมาเหลืออ่า500 100เหลือ10กะหาพนะัก็ไม่มีใครรับตอนหลังแถมฟรียังไม่มีใครรับเลยนะเพราะว่านางหลังจากตายแล้วที่เป็นคนสวยงามก็การขน น, น่าเกลียดนะอ่าผูกพองเน่าเปื่อยทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วนะภายในก็อ่าน้ําเหลืองน้ําเลือดไหลออกมานะ่ะตาก็ถลนปากเอ่ก็มีอ่าน้ําลายไหลออกมาอุด ในทวารทั้งเก้านะก็มีแต่ของเสียงมาทั้งหมดนะอันนี้คือความจริงนะที่ว่าคนไปเห็นความจริงเช่นั้นแล้วก็ไม่อยากจะรับไปอนะมาเป็นตัวเองนะพระนะั้นพอไปเห็นความจริงเช่นั้นปั๊บก็ต่อหลกักบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะว่าเนี่ยร่านงะกายยึดติดนะในนางสิริมาจะได้แล้วนะจิตก็เลยอ่าคลายออกจากเพราะว่าเห็นความจริงว่าเมื่อก่อนนั้นสวยขนาดนี้นะตัวไปหลงรักแต่พอเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วมันก็น่าเกียดชนนี้จิตก็เลยคลายออก เราก็ได้ฟังธรรมุเจ้าก็ บ, บราารลุพระรหัสเลยในตอนที่ฟังธรรมุเจ้าคนก็เป็นรูปธรรมกันเยอะแยะเพราะว่านางสิรินมานี่เป็นเหตุเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะว่าให้คนเห็นความจริงนั่นเองว่าจัดเป็นผู้ที่สวยขนาดนี้แต่ในสุดเขาก็เป็นเช่นนี้เป็นคนที่ไม่น่าดูเป็นคนที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ว่าบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้เลยนะเขาก็เป็นไปตามสภาวะเช่นนั้นเขาก็เน่าเปื่อยไปตามสภาวะเช่นนั้นสูต่ตามเหตุตามปัจจัย ของเขาที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอ่าเมื่อเช่นนั้นคนก็เห็นความจริงว่าเออจากการที่าไปยึดนางสลิมาว่าสวยงามจริงๆแล้วเนะี่ยเมื่อเข้าใจแล้วจิตก็จะถอดถอนอความยึดมั่นในนางสริมมาได้นี่ก็คือเหตุอย่างหนึ่งว่าอ่กลับมาถอดถอนในจิตตัวเองว่าทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองก็เหมือนนางสริมามะทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเองแม้แต่ตัวเราก็เหมือนกับนางสริมมาเช่นกันในสุดเราก็จะผุพักเด้าเปื่อยสลายไปเช่นเดียวนางสริมานะทุกคนก็ เมื่อเข้าใจทำเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เช่นกันนะตรงนี้คือความจริงที่เป็นความจริงที่ว่าเราทุกคนก็เช่นนางศิริมาลเหมือนกันนะแม้ว่าเราจะสวยงามขนาดไหนในะสุดเราก็จะต้องเน่าเปื่อยผุพังเป็นที่รังเกียจแม้แต่สามีเราก็ไม่อยากจะให้เข้าบ้านเนี่ยทุกคนก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะนี่คือความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่ตัวไม่ตนไม่ใช่บุคคลเราเขา เช่นนี้เราเราจึงไม่ควรจะไปยึดมั่นในสิ่งต่างว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรา น, นี่คือความที่ว่าเราจะพ้นทุกได้น ะ, ะเพราะนั้นใน ท, าท้ายทีสุดนี้ก็ขอให้ขอบารมีคุณพระตาไตรให้ทุกท่านเจริญด้วยสีสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิด